อะไรบ้างเราต้องเข้าใจหัวข้อเสียก่อนสติปัฏฐานสี่สั ม, มัตประฐานสี่วิธีบาทสี่อินสีห้าพละห้าโพธิชงเกตมักแปดนี่เรียกว่าโพธิปเยธรรมเมื่อสติปัฏฐานสี่คืออะไรหนึ่งกายนปปน า, านุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดกายเป็นอารมณ์สองเวทนานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐาน สติกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์สามกิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดจิตเป็นอารมณ์สี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดธรรมะเป็นอารมณ์ก็เรียกย่อว่ากายเวทนาจิตธรรมะกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เลยเรียกว่าสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติเอาหัวข้อเข้าโครงซะก่อนทีนี้สติปัฏฐานสี่สมมติฐานสี่ เพาะว่าความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานท่าเรียกว่าสัมมประธานมีอยู่ทั้งสี่อย่างหนึ่งสังวรประธานเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองปะหานประธานเพียรละบาปที่เกินและให้เสื่อมไปสามภาวนาประธานเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นสี่อนุรักษนาประธานที่รักษาจิตให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญาอยู่กับรู้กับนาอันนี้ท่านเรียกว่าสัมมประธานความเพียรสี่ และต่อไปสัมมาปฏิทธิบัติสี่คุณธรรมที่ให้สําเร็จประโยชน์แก่บุคคลทุกๆทุกทุๆจำพวกถ้ามีคุณธรรมสี่ข้อนี้มาทําอะไรก็สําเร็จสติสปัฏฐานสี่สมมมาปัฏฐานสี่สปฏิบาทิสี่ที่นี่อินอสีห้าสัทถินสีอินรียคือศรัทธาวิริยินรีอินรียคือความเพียร สตินอินสีคือสติยุริยินสีอินสีสมาธินสีอินสีคือสมาธิปัญญินสีอินสียคือปัญญาอนี้เรียกว่าอ <noise> okay. ินสีห้าพละห้าของนอ้นกันสัทธาพละกำลังคือสัทธาวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิปัญญาพละกำลังคือปัญญาอนี้เรียกว่าพละห้า โพธงเกตธรรมวิจยะ ส, สติสัมพุทธงวิริยะสัมพุทโชธรรมวิจ ย, วยะสัมพุทธงวิริยะสัมพุทธงปีติสัมพุทธง์ปัตสัตติสัมพุทธงสัมมาธิสมสพุทธง์อุเวขาสาัมพุชธงและก็รมะแปดสัมมาทิสิเห็นชอบ ส, มสัมมาสงฆปโพดำหรือชอบสัมมาวิจาวิจาชอบสัมมารกรมรมตัวการงานชอบสัมมาชัวเป็นอยู่ชอบสัมมาสติรอบสัมมาสมาธิตัง้งใจชอบ นี่แหละเรียกว่าโพธิปัฏฐธรรมสามสิบประการเอาเข้าๆอย่างนี้ก่อนมี่หัวข้อใหญ่ที่ในละเอียดก็จะอธิบายแต่ละข้อละหมดสติปัฏฐานสี่นิงกายานุปัสสนาสติกำหนดกายอ่พิจารณากายเป็นอารมณ์การกำหนดกายเป็นอารมณ์นี้กำหนดอย่างไรก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำคงให้ใจอืา พ้าพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าสติปัฏฐานไปว็นที่ตั้งของสตินี้มันเป็นทางสาเอกคือเป็นที่หนึ่งเป็นยอดของทางทั้งหลายเพระพุทธองค์แสดงอนิสง์ไว้ดังนี้หนึ่งผู้เจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นไปผู้ความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายสองไม่มีความโศกเศร้าปริเทวนาการไม่มีความพิไรรำพันบนญเพอ สามดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจสี่เป็นตัวพร้อมเผยบรรลุมรรคผลนิผพานนี้อานิสงเพระองค์แสดงอานิสงก่อนให้เห็นว่ามีอานิสง์อย่างนี้ถ้าจเจริญแล้วที่นี่สติปัฏฐานก็มีสี่หนึ่งกายานุปัสสนาสติตามพิจารณากายเป็นอารมณ์สองเวทนานุปัสสนาสติตามพิจรารณาเวทนาเป็นอารมณ์สี่จิ ต, ตานุปัสสนาสติตามพิจรารณาจิตเป็นอารมณ์ห้ธรรมานุปัสสนา สติตามพิจารณาธรรมะเป็นอารมณ์หลักสำคัญในการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้สามข้อหนึ่งอาตาปีมีความเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนทั่วคือได้แก่ตั้งใจทำจริงจริงสองสติมามีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดคือระลึกได้ก่อนรูปนามจะเกิดสารสัมปชโนมีสัมปัชญะรู้รูป ร, รู้นามอยู่ทุกขณะ เมื่อนักปฏิบัติกําหนดได้ถูกต้องคือพร้อมโดยองค์สามอย่างนี้จึงจะทันปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสใจรัและละโลภทูตโ ม, มหะในอัตภาพนี้ได้การปฏิบัติวิปัสนาจะได้ผลไม่ได้ผลจะผิดหรือถูกสําคัญอยู่ที่องค์ทั้งสามนี้ดังนั้นนักปฏิบัติต้องสนใจจึงจะได้ผลดีตามที่ตนปรารถนาะและตามพุทธประสงค์ทุกประการ ต่อไปว่าถึงกายานุปัสสนาอันนี้ทําแบ่งเป็นทั้งหกหมวดือกายาเนี่ยมีเยอะอันนี้ถ้าปริยัตนะแต่นี่จะหนักไปในภาพปฏิบัติปริยัติเมธะเลยไม่มีที่สิ้นสุดนะฟังก็เราเข้าใจยากแต่ว่าจะเทศเฉพาะพปฏิบัติจะหนักไปในภาพปฏิบัติปรแต่ว่ารู้เขาคงนิดหน่อยคําว่าเจริญกายเนี่ยทังนี้ทั้งหกหมวด หมวดที่หนึ่งกำหนดลมเข้าลมออกหมวดที่สองกำหนดอิริยาบถใหญ่หมวดที่สามว่าโดยอิริยาบถย่อยหมวดที่สีว่าโดยความเป็นของปฏิโกลในร่างกายหมวดที่ห้าว่าธาตุทั้งสี่ในร่างกายหมวดที่หกว่าถึงป่าฉาเก้าในร่างกายและอนาปนาบพานี่ตั้งก็แบ่งเป็นห้าเป็นแปดในในที่หนึ่งว่าถึงวิธีนับลมในนี้เป็นสมถะในที่สองติดตามลมในนี้ก็เป็นสมถะ ในที่สามกำหนดที่ลมกระทบในนี้เป็นวิปัสนาในนี้แหละที่นิยมปฏิบัติกันอยู่แพร่หลายในทุกวันนี้ได้แก่กําหนดท้องโดยภาวนาพองน้อยยุบหนอนี่เป็นภูสนานายัยในที่สี่ถปณานายัยวิธีตั้งใจไว้แห่งมั่นคือให้เป็นขณิกะสมาธิอุปจารณปนาในที่ห้าสันลภานานัยกําหนดขนันห้ากําหนดรูปนามในชัดเจนเริ่มตั้งแต่ทันปัจจุบันเห็นรูปนามเป็นสั้นไป ในที่หกวิวัฒนาในวิธีปฏิบัติให้โพธิปัจจุบันเข้าพร้อมกันได้แก่มรรคสีมีโสดาปริมรรคเป็นต้นเกิปาริสุทธิ์ในวิธีปฏิบัติต่อจากมกรรคได้แก่ผลสีมีโสดาปริผลเป็นต้นแปดเตสังปฏิปัตินาในวิธีปฏิบัติหลังจากมกรรคผลเกิดแนวได้แก่ปฏิเวกคณินานสิบเก้าอันนี้เป็นเป็นหัวข้อใหญ่ๆวางไว้อย่างนี้ทันวางว้ายางนี้ก่อนให้เราเข้าใจ ป ร, าาประเ๋ยวอาณาปณะปกผ้าประเดี๋ยวจะเข้าใจพิษไปนุ่งวดแต่กำหนดลมหายใจเขาออกอย่างเดียวแต่จริงท่านว่าไปถึงแปดในอันนี้เรียนไม่ค่อยถึงกันโดยมากมันอยู่ในหลักสูตรประโยคแปดประโยคเก้าผู้ที่ดู น, น้อยก็แต่จะอาณาปณะอย่างเดียวก็เลยไม่รู้เป็ไงปรเดี๋ยวถ้าเอามามากเข้ามาต้องหนุบพองน้อยหนอย่อนนุ่งว่าไม่มีเสียอันคันรู้น้อยมันกล็ลําบ่าโมราณท่านว่า รู้น้อยไม่ค่อยดีนะรูมากมักบางทีก็ไม่ค่อยดีนะนะนนนะแต่พอดีพอดีนะนะั่นแหละใช้ได้เอาวิธีปฏิบัติทีเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะทํำยังไงวิธีปฏิบัติจะทํำยังไงจึงจะถูกสติปัฏฐานสี่หนึ่งเดินจงกรมให้เดินจงกรมซะก่อนนี่คือวิธีปฏิบัติตามโพธิปคำแท้อันเมื่อกินนี่เป็นปริยัติที่นี่วิธีปฏิบัติหนึ่งให้เดินจงกรมประมาณ เท่ที่จะเดินได้ถ้าพูดที่ปฏิบัติจริงๆต้องเดินหนึ่งชั่วโมงนะภาวนาวักขวาย่างน้องซ้ายย่างหงอ์นี่เดินจงกรมลำตรงไหนมันเป็นโพธิปคีรธรรมเป็นปฏิปัฏฐาน 4, สีสัมปปฐานสีในการเดินโยกรมเนี่ยเวลาเรียนปริญญาเราหมาักแต่ไมน่นะปฏิบัติไม่มากนะโยมน ะ, ะโปรดฟังให้ดีเดินจงกรมนี่หมดเลยนะสติปัฏฐาน 4, สีสัมปปทานสีเราเดินโยกรมภาวนาว่ายืนนะ้อง ยืนเนายืนเนาฮตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาหาสัพโพธพชงหาสตปิปัฏฐานทิพย์คำสามสิบเกตุดูสิยืนเนายืนเนานี้แหละสติกำหนดกายอะไรเนี่ยนี่แหละกายานุปัสสนาอะไรเนี่ยที่ว่ายืนเนอะยืนเนานี่คือกายานุปสัสสนาสติปัฏฐาน เป็นสติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งทีนี้ในขณะที่ยืนอยู่เนี่ยโยมรู้สึกอย่างไอบางคนจะรู้สึกเฉยไม่เก็บไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าใครรู้สึกเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนาสติปัฏฐานสี่ข้อที่เป็นเวทนาแล้วเวท น, า น, า, น า, วานุปัสนาสติเวทนาถ้าใครรู้สึกยนนะืนสบายนี่ก็เป็นเวทนานาุปัสนาแล้ว ถ้าใครรู้สึกเดินยืนแล้วมันเป็นเหน็บชาแล้วไม่สบายแล้วนี้เป็นทุกขเวทนาก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองแม้โยมจะไม่ภาวนาว่าชาหนอก็ตามสบายหนอก็ตามก็ถูกถูกเวทนานุปัสนาเพราะอยู่ที่เดียวกันเมื่อเราสมมติการเราเวทนาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ย ทีนี้ตรงไหนเป็นจิตตานุปัสสนาความรู้สึกของโยมว่ายืนเนอะยืนหนอที่รู้ว่ากาลังยืนนั่นแหละนั่นแหละจิตตานุปัสสนาจิตมีแล้วถ้าคนไม่มีจิตมีใจเดินไม่ได้ล้มตูงลงไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาก็อยู่ที่นี้ที่ร่างอันนี้แหละตรงไหนเป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็คือขันธ์ห้า โยมก็งดยืนนอยนยู่นอนี่คือกหงดขนันธ์ห้านี้ตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ที่เดียวกันนะถะอย่างนั้นธรรมะสามสิบเจ็ดข้อจะเข้าพร้องกันในขณะกิตเดียวได้อย่างไรลองนึกดูสิเวลากิเลสจะขาดาสติปสิบเจ็ดประการถ้าเข้าพร้อมกันในขณะกิจดวงเดียวขณะเดียวเท่านั้นแกรเดียวเท่านั้น อ, อ, อเวลาแพราะฉะนั้นเวลา ย, ยืนนอน ก็ยืนนอเนี่ยสติปัฏฐานสี่มีครบบริบูรณ์อยู่แต่ยังเป็นโลกีะอ้าวทีนี้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานสี่ลองหาดูสิยืนหนอยืยนนอตรงไหนเป็นสัมมาปัฏฐานนงสังวรปัฏฐานเทียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนี่คือตัวสติระมัดระวังอยู่แล้วมันขนาดที่ว่ายืนหนอนี่แหละเป็นสังวรปัฏฐานเทียนระวังไม่ให้ โลภะโสโมหะเข้ามาเยี่ยมยีจิตใจเพราะมีองศามีมความเพียรมีสติมีสัมปยัญญะชื่อว่าสังวรสติสังวรแล้วสองปาะหาณประทานเพียรละบาป ท, ที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปบาปตัวไหนที่เสื่อมไปเราไปฆ่าไก่ตายมาแล้วฆ่ากบฆ่าเคียดฆ่าปลาฆ่าแมาลงสาบตายมาแล้วมันนื่งกรรมฐ า, านละได้หรือละไม่ได้ อ่อันนี้ละไม่ได้นะใจใโทที่ว่าบาปเพียนละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปนนบาปตัวไหนอานุัยกิเลสที่มันติดมาจากพพขอนเทขนตัวนี้นะที่เชียนละนะอ่ละเอียดมากนะไอ้ขอนดยืนนาะนี่อานุัยกิเลสที่ขาดไปเจ็ดชาตินะโยมนะนี่แหละละบาปตัวนี้ยืนนาะครั้งหนึ่งนี่เขาขาดไปนี่เป็นปหานประฐาน สามภาวนาประธานเพียนบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดเราก็หนดยืนเนอะนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดตรงไหนเป็นศีลกายกรรมสามวิจีกรรมสี่บริสุทธิ์เป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิใจใไม่เผลอจากรูปที่ยืนนี่เรียกว่าสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาตัวสัมปชัญญะที่รู้ทุกขณะที่ยืนเนี่ยแหละยืนเนอะ ย, ยืนเนอะ น, น, น, น, นี่เลยศีลสมาธิปัญญามีพร้อมตัวนี้เรียกว่า ภาวนาประธานบำเพ็ญศีลให้เกิดสมมาทิฏฐิให้เกิดปัญญาให้เกิดสีอนุรักษณาประธานรักษาจิตให้มันอยู่กับรูปกับนามกับศีลสมาธิปัญญานี่มันเกิดอยู่ขณะเดียวกันพยืนเนาะสติประฐานสี่มีสมาประธานสีมียิทธิบาทรสี่มีแล้วเอา้าที่นี่ยิทธิบาทเป็นตรงไหนหนึ่งฉันทะคือความตั้งใจการที่เรากำหนดยืนเนาะนี่ต้องมีฉันทะมีความพอใจ ถ้าไม่มีไม่มายืนภาวนาแล้วนี่ตัวฉันพะคือความชอบใจพอใจในข้อปฏิบัติอันนี้ข้อที่สองวิริยะคือตั้งใจโยมตั้งใจกงหนดยืนนอยืนหนอนี่คือวิริยะแปลว่าความเพียรหรือความกล้ากล้าความสามารถข้อที่สองจิ ต, ตะเอาใจ จ, จิจ่อใจที่ยืนยืนนอใจก็จ่ออยู่ในรูปที่ยืน ข้อที่สีวิมังสานี่เป็นชื่อของปัญญาก็ได้แก่ตัวสัมปะชญญะนั่นแหละอันเดียวกันยืนเนาะยืนเนาะที่รู้ว่ายืนเนี่ยยืนเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามผู้ที่รู้นี่แหละรเรียกว่าตัวสัมปะชญะไอ้ตัววิมังสาคือตัวปัญญาครบเห็นไหมโยมพอยืนเนาะยืนเนาะสติปัฏฐานสี่ก็มีสัมปปทานสี่ก็มีอิทธิบาทสีก็มีเห็นไหมสติปัฏฐานสี่ สมบปติทานสีอิทธิบาทสีม่สี่สาสิบสองที่นี่อินทรียห้าอยู่ตรงไหนลองหาดูสิยืนน้อเพียงเท่านี้อินรียห้าเกิดเกิดตรงไหนเราต้องเข้าใจหนึ่งสัพทินสีอินรียคือศรัทธาศรัทธาไม่ใช่แปลว่าความเชื่อความสสัสะตัวนี้ถ้าแปลว่าชอบทาไปว่าทรงไว้ทรงใจไว้ชอบทรงใจไว้ถูกเขาเลยแบบศรัทธา อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่เหมือนคำว่าในขณะที่ยืนหนอยืนหนอเนี่ยต้องศรัทธาต้องทรงใจของโยมให้มันเป็นใหญ่บังคับจิตให้มันต้องอยู่ที่รูปยืนนี่แหละเขาเรกทรงกิจไว้ชอบเป็นใหญ่ในการรักษาใจทรงใจให้มันชอบคือให้อยู่กับรูปขับนามรูปที่ยืนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพอเรากหงดยืนหนอให้ใจของเราอยู่ที่รูปยืนนี้คือตัวศรัทธา เขาลือสัตทินซีเป็นใหญ่ในการทรงใจให้อยู่กับรูป ก, กับนามสองวิรยินซีได้เกี่บความเพียรคือความตั้งใจเป็นใหญ่ในการอบังคับจิตของเราไม่ให้ไม่ให้ขี้เกียจไม่ให้ท้อถอยให้มันก้าวหน้าให้พยายามทําให้มากนั่นเขาเลือกวิริยะแปลว่าความกล้กลาหาญความสามารถความเพียรเอาคำง่ายว่าเพียรยินเป็นใหญ่ในการตั้งใจในการเพียร ข้อที่สามสตินสีอินรียคือสติเพราะเราเป็นใหญ่ในการมีสติรูอ้อยู่ทุกขณะเนี่ยยืนเนาะที่รู้ว่ายืนนี่สตินี่เป็นใหญ่กําหนดอยู่เสมอข้อที่สี่สมาธินสีอินสีคือสมาธิที่ใจของเราไม่เผลอจากรูปยืนจากนามที่ยืนอยู่โดยการ น, นี้เรียกว่าสตินสีมีสติกําหนดอยู่ที่ทรูปกับนาม ข้อที่ห้าปัญญินรีเป็นใหญ่ในการรู้ก็คือวิมังสาก็คือจัปัญญาคุอตัวสัมปชัญญะอันเดียวกันต่างชื่อต่างหากบางทีเรียกสี่มังสาบางทีก็เรียกสัมปชัญญะบางทีก็เรียกปัญญาอันเดียวกันนั่นแหละพนั้นเขาว่ายืนเนอะที่รู้ว่ายืนอยู่นี้คือปัญญสีรู้ว่ามีจะรูปกลดน้ำไม่ใช่สัตว์ปุกคนโตตัวเล็นี่อินสีห้าครบเห็นไหมทีนี้พระห้าก็เหมือนกัน ตกันแต่ชื่อสรัทธาภละมีศรัทธาเป็นใหญ่แม้ก็เอาใจแน่วแน่อยู่กับรูปนามที่ยืนยื you know. นเนอะนี่ตัวสรัทธาภละมันรักษาให้อยู่ที่รูปเดินเนี่ยไม่ให้หนีไปไหนสอนวิ ร, ยริยะภละตั้งใจคุอเทียนตั้งอกตั้งใจทําจริงๆไม่ขี้เกียจยืนเนอะยืนเนอะยืนหน่อยจะว่าอยู่กี่นาทีก็ว่าได้นี่คือวิ ร, ยริยะภละกําลังคือความเทียน ข้อที่สามสติภะละกำลังคือสติก็ได้เกิสติปัฐานกําหนดกายนั่นเองยืนนอนี่สติมันรู้อยู่ในรูปที่ยืนนี้เป็นสติภะละแล้วสมาธิภะละก็ไม่เผลอไม่คิดไป น, นอกเรื่องไม่คิดปไปเรือื่นอยู่ในรูปที่ยืนนี่เขาเรียกสติภะละเขาเรียกสมาธิภะละกำลังคือสมาธิปัญญาภะละกำลังคือปัญญาก็ได้แก่ตัวสัมปชัญญะ รู้กำลังรูปนี่กำลังยืนยืนเนอะรู้ทุกขณะนี้เรียกเรียกว่าปัญญาภะครบบริบูรณ์นะเห็นไหสติปัฏฐานสีก็มีอิทธิบาทสีก็มีอินสีห่ห้าขอมีาามพะละหา้าขอมีก็รเรียกโพชฌงค์ที่เอาตรงไหนเป็นโพชฌงค์นี่กำหนดยืนอย่างเดียวนะยืนน้องอย่างเดียวสติปัฏฐานสีก็เกิดได้สมัมปปทานสีก็เกิดได้แล้วก็อิทธิบาทสีก็เกิดได้ อินสี่ห้าก็เกิดได้พลาห้าก็เกิดได้โพชงเจ็ดก็เกิดได้มรคแปดก็เกิดได้ทีนี้โพชงตรงไหนเอารองนึกดูสิยืนเนาะยืนเนอะตรงไหนเป็นสติสัมโพชงตรงไหนเป็นธรรมวิจัยโปรดฟังขณะที่ว่ายืนเนอะยืนเนอะเนี่ยรู้ในอาการที่ยืนนี้แหละเรียกว่าสติสัมโพชงองค์ของปัญญาที่ให้เดชตัศรุมรคผลุพบาทก็คือตัวสติ ตัวความไม่ประมาท ร, รวมมัดทุกกระเวียดนิ้วข้อที่สองธรรมวิจัยะสมพุทชงวิจัยคือพิจารณาพิจารณานี่ใช้ปัญญาคนละขั้นนะั้นในที่นี้หมายต้องการปัจจุบันพิจารณารูปนามปัจจุบันยืนน้อนี่แหละคือพิจารณาแหลยนะยืนนี่คือรูปนะผู้ที่รู้ยืนนามยืนน้อนี่รูปนามนี่ดับไป ห, หนึ่งดับไปแล้วไม่ใช่หนึเดียวยืนน้อ ทังรูปังนามยืนนอดับไปสิบกิจขณะยืนนองเขาดับไปสิบกิจขณะนี้คือวิจัยวิจัยรูปนามที่กําลังยืนเนี่ยมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับ น, บ น, บนี่อนิจจังทุกขังตาจะเกิดตรงนี้แต่ขณะนี้ยังไม่ยังไม่สูงยังไม่ขาดถ้าขาดแล้วไม่ใช่ขาดมุกตกใจเลยสำหรั บ, บยืนอยู่นี่นั่นจึงจะชัดแท้ขณะนี้ยังไม่ชัดเพราะยานยังอ่อนยืนนอนี่แหละคือวิจัยล่ะ ได้เกพิจารณารูปที่ยืนละเนี่ยยืนเนอะนี่มันเกิดดับไปละสิบเกตขนาดแล้วเป็นอย่างน้อยยืนเนอะนี่ก็เกิดดับสิบเกตขนาดรูปดับไปหนึ่งกิจต่อไปสิบเกตครั้งยืนเนอะเขาก็เกิดดับแต่ยังไม่ชัดอันนี้เพียงอนุมาณจินตญาณถ้าถึงญาณสี่จึงจะชัดก็ยืนเนอะจะขาดงมวกอกใจเลยนี่ตรงนี้ชัดห้าสิบเอร์เซ็นต แต่ต้องกำหนดอย่างนี้จึงจะถึงได้นะมีเรียกว่าวิจัยลนะ่ะทีเนี่ยวิจัยแท้ต้องวิจัยอย่างนี้ธรรมวิยะสัมพุทธชงล่ะเนี่ยอทีนี้วิยะสัมพุจธงก็คือความเพียรตั้งใจทําอืมตั้งใจยืนน้องตั้งใจกําหนดแล้วปัจสุบันมันก็จิต จ, ต, จติสิกสงบใจไม่ฟุง้งซ่านสิยืนน้องก็อยู่ในรูปยืนนี้คือปัจสุบันสัมพงุงอืม ธรรมวิจัยจสติธรรมวิจวิริยะปีติตัดสธิจิตใจแล้วหนือสมาธิอุเบกขาที่เนี่ยสมาธิคื อ, ค อ, ค อ, คอตั้งใจมั่นอยู่กับรูปยืนอุเบกขาใจมันเฉยข น, นั้นั้นแต่เฉยอย่างมีสติไม่ใช่เฉยอย่างโมหะเฉยนี่หมายความว่าไม่ไม่คิดไปทางโน้นไม่คิดมาทางนี้ไม่ดีใจไม่เสียใจมันเฉย อ, ยอยู่ที่รูปกับหนามในรูปยืนเนี่ยยืนนาะ นนี้มันเฉย อ, อยู่กับผู้ยืนไม่ได้คิดไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าอุเบกขาอะไรเนี่ยในสติในพุทชงนะสติสัมพุทชงธรรมิจายสัมพดทชงเรสัมพดทรงปีติสัมพดทรงปัจสทานสัมพุทชงสมาธิสัมพดทช ง, ชงอุเบกขาสัมพดทชงนะนะส่วนปีติก็คือความอิ่มใจสบายใจในขณะนั้นจบแล้วนี่พุทชงเจ็ดเกิดได้ในขณะที่ยืนเนาะเนี่ยอธิบายอริยาบทยืนอย่างเดียวนะ พ, พ็โพชงเก็บเกิดได้อย่างไรที่นี่เหลือมรรคแปดที่เนี่ยมรรคแปดก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจส่เห็นอย่างไรรอบเดียวไปเห็นอริยสัจสีเห็นอริยสี่ก็เป็นฟุศูดะเลยสิจะเข้าใจอย่างนั้นปล่าอย่าพิ่คิดอย่างนั้นอริยสัจสีนี่ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะ อารมณ์วิปัสนาสติปัฏฐานของวิปัสนาก็คือขันห้น า, 12, า 18, อัจฉริสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีสองอริยสัจสี่นี่เป็นอารมณ์วิปัสนาเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจให้ถูกขณะที่ยืนน้อยยืนนอเนี่ยตรงไหนเป็นอริยสัจสี่เราะก็ต้องเข้าใจนะสำมาทิติเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่รูปที่ยือนอยู่ทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี้คือตัวทุกขสัจยะ ของจริงคือควาทุกข์เขามีอยู่แล้วเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามแล้วคราวนี้เรากำหนดยืนเนาะนี่เรียกว่าเรียกว่าทุกข อ, อริยสัจเปลี่ยนเป็นทุกข อ, อริยสัจแล้วนะเบื้องแรกทุกขะสัจทาไมกำหนดเป็นทุกขะสัจของจริงคือควาทุกข์มีอยู่เมื่อเรากำหนดยืนเนาะยืนเนาะกลายเป็นทุกข อ, อริยสัจ ของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือทุกขณะนั้นกิเลสขาดไปจิตชาติกิเลสขาดไปจิตชาตินั้นเรียกทุกขอ์อาเรยสัตย์นี่ตัณหาก่อนๆที่ให้เรายืนอยู่นี่เรียกว่าสมุทัยอริยสัตย์ mm. สมุทัยอริยสัตย์แปลว่าของจริงที่ห่างไากลชค่คือคือสอ ส, สมุทัยขณะนี้สมุทัยเขาไม่ทำหน้าที่แล้วเขายุดทำหน้าที่เพราะสติคุมไว้ กิเลสเป็นขาดไปจิตชาติแล้วข้อที่สามนะสติที่กําหนดยืนนอยืนนาะ น, นี่เป็นมัคคอริยสัตว์นะแล้วขณะที่กําหนดยืนนอะกิเลสขาดไปจิตชาตินี้เป็นนิโรธอริยสัตว์อริยสัตว์สี่ทำหน้าที่อยู่อย่างนี้นะอะยืนนอทั้งทุกสมุทัยนิโรมักเขาทําหน้าที่ของเขาไปนในตัวเสร็จนี่แหละสมารถทิฏฐิเห็นชอบ เห็นสำมาทิฏฐิเห็นชอบคือ เ, เห็นอริยสัจขณะนี้กําหนดอริยสัจทั้งทุกสมุทยัยโรมกมรรคเขาทำหน้าที่ของเขาแต่พูดเสสรุปแล้วมรรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาขณะที่กําหนดยืนนอยืนนอนนี้กายกรรมไม่กี่กรรมเลยสุ์เป็นศีลในมรรคแปดในรูปนามเป็นอารมณ์ในมรรคต้นสองขณะที่ยืนนอยยืนนอนนี่ ใจของเราไม่เถลออยู่กับรูปที่ยืนอันนี้เป็นสมาธิในมักแปดยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์เหมือนกันขณะที่ยืนเนอยืนหนอเรามีสติรู้ทุกขณะที่ยืนนี้เป็นตัวปัญญาในมักแปดทาหน้าที่พร้อมกันศีลก็ยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์สมาธิก็ยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ปัญญาก็ยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลสมาธิปัญญาในมักแปดเบื้องต้นเรียกว่าปุพพะคามักเป็นมักเบื้องต้นเมื่อสูงขึ้นไปถึง นิพพานจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเป็นอริยมรรคแล้วเป็นนั่นว่ามรรคแปดก็เกิดได้ในที่นี้นะท่านสาจจชนผู้ใจบุญถลายสติปัฏฐานสีสมปัฏฐานสี่ 4, สสอิธิบาทสี่อินสีห้าพละห้โพธิงเกตมรรคแปดสามารถจะเกิดได้ในขณะที่ว่าย no, no ืนเนอะยืนเนานี่อัตมาที่บายอิรรยาบทยืนอย่างเดียว น, นะใช้คําว่าย no, no ืนเนาะยืนเนาะเนี่ยสติปัฏฐานสี ก็เกิดได้สัมมาทฐานสีก็เกิดได้อิทธิบาทสีก็เกิดได้จินสีห้าก็า เ, เกิดกได้พลห้าก็เกิดได้โพธงเกก็เกิดได้มรแปดก็เกิดได้นี่เลยว่าโพธิปคีรธรรมทำหน้าที่พร้อมกันในขณะเดียวกันดังที่ขรามนี